ย่จาจะนลไลวันนี้เป็นวันที่2มีนาคม2535แต่ว่าเป็นวันแนะนำกรรมฐานวันที่3วันนี้ก็ไม่ไม่ขอพูดเรื่องยาวๆจะขอแนะนำจะก็เรื่องสัน้นๆเอาวิธีปฏิบัติของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็สำเร็จแล้วมาแนะนำกับท่านก็คือขอย้อนเรื่องเก่า มัต่ตวันต้นเพาคนเราที่เกิดมาในโลกนี้มีสีแบบหนึ่งสุ ต, งตรวิปติเติโยปกติกติโยมีบารมีเต็มและมีปัญญามากมีความเฉือ่ตลาดมากฟังแค่หัวข้อก็เข้าใจไม่ตอ้องอธิบายแด้กำลังรูมากผลสองวิปติกันโยมีบารมีเต็มแต่ว่ามีปัญญาน้อยไปหน่อย ทังแค่หัวข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจะจงจะไม่รู้ ม, มาผลสามน่อ ย, ยะถ้าวันนี้สามไม่เข้าถึงใตศสนาคมได้สี่ประทับประมะพวกน้ตรลงอวิชฌิใหม่ <c oughs> ไมนความาพดูดที่สี่ีิสอนไม่ได้เอาดีไม่ได้ก็มีความจมเป็นต้องลงอบัยภูมิในการแนะนำวันนี้ก็จะแนะนำเฉพาะพวกทั้งสามพวกคือว่า เพ่อเอ่ปกติเป็นโยโย่ในยะในการปฏิบัติขบันดาธธนท่านพุทธบริษัทท่านพุทธบริษัทก็ดีอาตมาเองก็ดีแล้วคนอื่นก็ดีใหม่ใม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, มะจะเกาะตําราติดแล้ลวเกาะตาราก็เกาะแต่เฉพาะตําราไม่รู้จักแกะตําราคือไม่สร้างความเข้าใจในตํารา ซือตำราเป็นแบบตำราที่มีความสําคัญีเขาจําเป็นต้องเขียนละเอียดอะไรแบบเพราะว่าเขาเกรงเราจะไม่เข้าใจ <c oughs> แต่ความจริงถ้าเข้าใจในตําราแล้วก็ไม่มีอะไรมากอย่างคําว่าอริยสัจอริยสัจก็มีสี่อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้านักปฏิบัติปฏิบัติไม่เป็นน ตันักก่อตําราก่อตำราไม่เป็นรู้จักเจตําราก <c oughs> ็ต้องใช้คำอธิบายทั้งสี่อย่างคือทั้งทุกขสัมมุทัยธนิรดดมักถ้ามีปัญญาพอสมควรก็แกะเอาไว้แต่อสองคือทุกขสัขส ม, มุทัยถ้ามีปัญญาดีมากแกะอย่างเดียวคือทุกตัวเดียวฉะ น, นการถือตําราเป็นของดีแต่ว่าให้รู้จักแ ก, แกะตํารามาใช้ ก็ส่วนใหญ่ไม่รู้จักแกต้นรายในการปฏิบัติที่ไม่มีผลให้การปฏิบัติก็ยากแค่จะเป็นระโสดาบันนิดเดียวเอาคิดโน่นคิดนี่หยิบไปหยิบโน่นอยู่ที่มาประสมกันคนในที่สุดไม่สามารถจะทําได้ไอคำว่ายานน่ะไม่รูเป็นยังไงฮะเอายานโน่นมองยานนี่มางหยิบโน่นมองยู่ที่บ้างไอควันจริงผสดาบันน่ะมีนิดเดียว แคนนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตับมีสินห้าบริสุทธิ์ที่ต้องการปฏิพันธ์ใ น, นอารมณ์ก็มีเท่านี้โดยเพราะอย่างยิ่งตามที่พระเจ้ากันทรงตรัสพระโสงดาบันกวีพระศิษยาคามีกวีเป็นผู้มีอธิศินคือมีสินบริสุทธิ์ถ้านาคาเป็นผู้มีอธิจิตคือจิตตั้งมัน่นถ้าพระรหัน มีปัญญาเป็นใหญ่กระควนาาการการปฏิบัติของเราทุกคนก็มาต้องใช้อารมณ์มากถ้าปฏิบัติเพื่อก า, ารบรรลุมรรคผลให้ถือตัวอย่างเป็นสาคัญชอบใจของใครปฏิบัติ ต, ตามนั้นอย่างสมมติว่าเราจะเอาแค่เบาๆอย่างพวกเนยยะพวกเนยยะไนี่เข้าถึงไตนาคมก็เอาตัวอย่างมัจกุบลีเทพบท ซึ่งท่านทำน้อยแต่ว่ามีผลใหญ่ <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีพุทธานุสิต์นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ <c oughs> ก็แล้วก็ใช้เวลาแค่นิดหน่อยแค่เวลาป่วยขณะที่ป่วยหนักไม่สามารถจะรักษาตัวเองได้พ่อแม่ไม่เป็นที่พึ่งได้สักสมบัตไปเป็นที่พึ่งได้ <c oughs> ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระ เ, เจ้ามาช่วยหายป่วยขณะที่นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองก็ตายจากความเป็นคนได้เกิดเป็นเป็นเทวดาบนสวรรค์ช้นเดาถึงเทวดาโลกที่มันต้องคาไป่ได้อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบัณฑิวาลทนนี้อาศัยที่มีพุท ธ, ธานตุตตร์ขึนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เขาถือว่ามีพุท ธ, ธานุตตร์คำสารไว้ประจําใจ แต่เมื่อเราเครารพพระพุทธเจ้านับถือพระเจ้าเราก็ไม่พลบพระเจ้าอีกใ่เมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศเจ้าพระเจ้าอีกครั้งเดียวเป็นระโสดาบันอันนี้พุทธานุตตรเป็นยังไงก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ใช้ำคำว่าคํภาวนาพุโทโธจะใช้เวลาไหนก็ได้เวลาก่อนนอนก็ได้เื่นนอนใหม่ๆก็ได้นั่งทํางานทําการอยู่เมื่อเมื่อยละพักผ่อนภาวนาก็ได้ จะเดินไปไหนจะกลัวผีเข้าบรา ว, าวาัฟวุธโธก็ได้ได้ทุกอย่างถ้าเมื่อไรท่านึกถึงวัฟุธโธนึกก็ถือว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญธรรมาฐานท่นี้การฝึกอารมณ์มันได้า่าจงพุทธเจ้าส่วนใหญ่มักจะไปบนว่าอารมณ์ไม่ทรงตัวบ้างอารมณ์ไม่สงัดบ้างอย่างนั้นเป็นการคิดมากเกินไป คนที่อารมณ์สัณฑ์จริงๆแล้วมีเฉพาะพระหลังขึ้นไปเท่านั้นถ้าต่ําลงมาจากพระรหลังถ้าถือว่าอารมณ์สนิททรงตัวสนิทไม่ใช่เลยไม่มีอระอัตบักยังมีอาระะมณ์มมฟุง้งซ่านคนที่จิตไม่ฟุง้งซ่านเขเป็นพระอัตผลไม่เมื่อเราจะไม่เป็นพระรหลังจิตก็ต้องฟุงสรนน้างเหมนของธรรมดา พการที่จะทรงตัวจะทรงให้อารมณ์อยู่เป็นปกติก็ต้องถือใช้เวลา น, น้อยๆวันหนึ่งถ้าเราสามารถทรงสมาธิได้จริงๆสักห้านาทีแล้วสิบนาทีก็ควรจะพอใจเพราะว่าเวลาที่จิตทรงสมาธิเวลานั้นพระเจ้าถือว่าจิตว่างจากกิเลสพระพุทธเจ้าทรงแต่งตัสาทีา่บุตราษาที่บตะโาดก่อนซาลีบุตร บ, บ, บ, บ, บ, บุคคลใดมีจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่ง ก็ขณะจิตหนึ่งตาคาก็ถือว่าบางคนนั้นมีจิตไม่ว่างจากฌานถ้าเราทําได้ทั้งวันละห้านาทีสิบนาทีก็จะมากกว่านั้นในเมื่อวันหนึ่งเราสามใหม่คุณมรมณ์คําว่าพุทธโธอยู่ในใจก็ดีรูล้ลมหายใจเข้า ใ, ใจออกก็าตามขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตไม่ชิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกถือว่าภาวนากวบหายใจเข้านึกว่าพุทใส่ใจออกโนโท เวลานั้นเราทำไมามาแทรกสักหนึ่งนาทีหรือสองนาทีเวลานั้นที่จิตว่างจากกิเลสถ้าทําได้อย่างนี้ทุกครั้งครั้งหนึ่งเราจะอาจจะใช้เวลายี่สิบนาทีบ้างสามสิบนาทีบ้างถ้าว่าจิตมันว่าง จ, จากกิเลสเพียง น, 1, นาทีหนึ่งสองนาทีเราก็ควรจะพอใจเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทําไปทุกวันจิตจก็จะเริ่มชินชินต่อลองคำว่าพุทโธ ชินต่อคําว่าให้ลมหายใจเข้าออกในเมื่อจิตมีอารมณ์ชินจนกระทั่งถึงเวลาว่างจิตจะ น, นึกพุโทโธขึ้นมาในใจเมื่อเวลาไม่ต้องบังคับหรือว่าถึงเวลาที่เราเคยภาวนาถ้าวันไหนไม่ได้ภาวนาวันนั้นนขาขันใจต้องภาวนาอย่างนี้เทวจิตสรงชานจิตว่างจะชีวิตมาก ว่าจิตทรงขนาดชานแบบนี้ถ้าจิตเรายังไม่สะอาดพอไม่ได้มีปรัชนาญาณแล้วเปิดไปมของง่ายๆนะไม่ยากแต่เป็นการท่าบังเอิญก่อนที่เราจะภาวนาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเริ่มได้ปรสัสนาญาณก่อนในโบราณาจารย์ก่อนที่ท่านจะสอนให้ทําให้ใช้ปริปรัชนาญาณขึ้นต้นไม่ใช่สมถะขึ้นต้น แต่อารมณ์จริงๆเป็นสมถะคุมก่อนคำว่าคุมก่อนก็หมายว่าคุมอารมณ์ที่เราจะคิดให้ส่งตัวให้อยู่ของการของการคิดขั้นแรกก่อนที่จะภาวนาวพระพุทธโอท่านให้คิดในร่างกายว่าร่างกายมันจะไม่ได้ความทุกข์ที่เป็นอริยสัจการเกิดขึ้นมาก็อาจจะมีความทุกข์การที่อยู่ในคันมันดาจะไม่ได้ความทุกข์เพราะช่องแคบ ร่างกายมันโตขึ้นวันละน้อยละน้อยใหม่ๆม่เตัวมันเล็กมดลูกของแม่ยังกว้างอยู่ก็รู้สึกสบายเมื่อตัวตัวใหญ่มากขึ้นมาแข็ขาเยียดไม่ได้คนไม่ไหวก็หาทางออกนั่นคือความทุกข์แต่ความทุกข์ในคันมารดาเราไม่ทราบเราไม่รู้พอออกมาจากคันมารดาแล้วมันรับอากาศภายนอกเกิดความหนาวแสบตัวก็ร้องตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้สึกว่าทุกข์ ต่อมาในไม่เป็นช่วยไม่ได้ผู้บรรจาระปัสสะก็ไถ่ามาเพื่อนเสีตัวเราก็ต้องร้องอันี้มันก็เป็นความทุกข์ตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวมันต้องทนทุกข์ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีความรู้สึกว่าทุกข์ามานาน่งกว่าจะช่วยตัวเองได้เมื่อช่วยตัวเองได้ก็มีความทุกข์ราะหนึ่งมีความหิวความหิวเป็นทุกข์ <c oughs> ความวระหายเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ การประกอบกิจการงานทุกอย่างเป็นทุกการพัดพลาจากของรักของชอบใจเป็นทุกความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกทุกว่าเราไม่รู้ว่าตายเราจะไปที่ไหนอันดับแรกใครคิดถึงความทุกข์ก่อนใช้ปัญญาก่อนเมื่อนึกถึงความทุกข์จึงตมีความเข้าใจก็ ค, คิดต่อไปว่าถ้าเกิดเป็นคนอย่างนี้อีกอีกกี่ชาติแล้วก็ทุกแบบนี้แราจะไม่มีความสุข ถ้าเราตายไปเทวดาหรือพรหมเรือ น, นางฟ้าแล้วก็มีความสุขจริงไม่มีทุกข์แต่ถ้าว่าเทวดาหรือนางฟ้าหรือพรหมก็มีเป็นอยู่โซคราวไม่นานนักก็หมดมบุญรัตน์นาบารามีต้องลงกับมาเกิดใหม่ถ้ามาเกิดเป็นคนก็ดีส่วนใหญ่เกิดตายจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็พุ่งตัวลงนรกท่านี้พระบาปบาปเก่ามันตามร่างแผน ท่านลงนรกก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขถ้ามาเกิดเป็นคนก็สุขบ้างทุกข์บ้างสุขก็ไม่จริงไอ้ที่เราคิดว่ามันสุขนั่นคือเหตุขอ ค, ความทุกข์สุขจะมาได้มันเป็นผลของความทุกข์เพรว่าสุขจะมาได้ก็าาอาศัยความทุกข์ก่อนอย่างสมมติว่าบรรดาญาโยมบริษัททุกคนอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งบ้านสวยๆใหญ่ๆมีความเป็นสุข แตเงินก็าเราไม่พอเขาขายด้วยวิธีส่งผ่อนในขณะที่ส่งพ่อนเขนี่นมันเต็มไปด้วยความทุกข์ก็ต้องหาเงินมาห้ทันพอได้มาเป็นสิทธิ์ของตั ว, ตวแล้วก็จะมีความทุกข์บ้านมนรู้จักเก่าบ้านมนรู้จักผุสีรู้จักจางก็ต้องตกแต่งให้มันสวยถ้าสีจางลงไปบ้านไม่สวยใจตัวเป็นทุกข์ แต่แก้ทุกตัวนี้มันได้ก็ต้องหาเงินมนาทานจ้างจ้างทาสีไอ้การหาเงินมาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เพราความมีความเหนื่อยยากถ้าบ้านมันผุ ต, ตรงไหนแล้วไปซ่อมมันก็ต้องใช้เงินมันก็เป็นความทุกข์โลภความมาเกิดมาในเรื่องทุกเสียงทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเหตุของความสุขทรัพย์สมบัติเป็นเหตุของความทุกข์ทาไมจึงว่าอย่างนั้นว่าคนทุกคนต้องการทรัพย์สมบัติแต่ความเป็นคนทุกคนต้องมีสมบัติ ถ้าไม่มีสมบัติแม่ก็ทุกมากถ้ามีสมบัติก็ทุกก็ทุกระเแบบีบไม่มีสมบัติเลยทุกข์ัวจะไม่มีกินถ้ามีสมบัติมากก็ทุกเกรงว่าจะเจ็บไม่ไหวใช่ไหมให้เขากู้ที่เขาดีดีละพอเขากู้ไปเขาไม่ส่งดอกเบีย้ยบ้างเป็นทุกเดี๋ยวก็ส่งมาแล้วแต่ว่าเราก็เป็นสาวเราก็เกรงมาผ่านตาเจะเจ้าทรัพย์สินนี่ก็เป็นทุก เรื่องความเม้่ก่อนที่จะภาวนาเขาทุกคนคิดด้วความทุกข์งานเกิดก่อนว่าการเกิดขึ้มันหนึ่งอันทุกข์เมื่อเกิดเรามองไม่เห็นในการได้สองความป่วยไข่ไม่สบายเรารู้อันนี้เป็นทุกข์ในการได้สามความแก่เข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ใการได้สี่การพัดราจากคลองรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ใการได้ห้าความตายจะเข้ามาถึงแล้วก็เป็นทุกข์ เมื่อการเกิดเป็นคนมันทุกอย่างนี้เราก็เป็นคนจะเกิดต่อไปสิ่งที่เราควรจะเกิดนั่นคือนิพพานนิพพานชาวบ้านชาววัดที่ไหนที่หาว่าส่วนก็เป็นเรื่องของเขาพวกเราที่มีปัญญาพอสมควรก็ปฏิบัติมโนยิทธิคือเอาปัญญาก็นได้เยอะแยะแล้วต่างคนต่างเห็นสวรรค์ต่างคนต่างเห็นธรรมโลกไปมาแล้วต่างคนต่างไปนิพพานมาแล้วต่างคนต่างไปนรกมาแล้ว มันก็เรื่องรเรื่องความสงสัยได้ทีนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนแล้วก็เลือกที่ไป <c oughs> ถ้าเราอยากจะไปนรกก็ไปยานทําลายสิ้นห้าให้หมดไปเพราะว่าทำลายสินยนยส้นห้าข้อนใดข้อนหนึ่งเป็ จ, จินตกรรมแล้วก็ไม่สร้างส่วนนี้เป็นกุศลมามามาหักห้ามมาไขว่ควางแล้วก็ไปอาบัยภูมิเปนนรกนั่นแม่ ถ้าว่าข้ามีความจําเป็นจะต้องไปนรกจะต้องฆ่าสตัตว์ชีวิตแต่ว่าเรามีสิ่งที่เกาะอย่างใดเร่องหนึ่งที่มีความสําคัญกว่านั่นคือพระพุทธเจ้าอย่างสุปฏิติฏฐิเทพบุตรสุปฏิทิฏฐิเทพบุตรนั้นทำลายสี่งทุกอย่างแล้กวก็เวลาจะตายจริงนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้ามาช่วยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชันดำบปดึงเทวดาลโลก มีมานทองคำไม่ได้อยู่ทางเทศเจะาพระเจ้าจบเดียวเป็นระโสดาบันเนียทะลกันเลยถ้าเราเป็นคนฉลาดเอาันแค่สวัสด์ก่อนตอนนี้นะ <c oughs> ถ้าเราเป็นคนฉลาดสักหน่อยหนึ่งเราคิดว่าขึ้นชื่อว่าบาปเราเว้นไม่ได้บาปบางอย่างบรรดาเจ้าพุทธบริษัทบางคนเว้นไม่ได้ทั้งคือบุคคนที่ปลูกต้นไม้ปลูกพืชพันธุ์ยาหาร ต้องซื้อยาฆ่าแมาลงฆ่าสัตว์อันนี้มีความจําเป็นพระก็เห็นใจคนคนเลเห็นใจพระในเมื่อมีความจําเป็นอย่างนี้จะยังไงถ้าเราไม่หาเสียงเที่ยวาเข้ามาแก้มาค้านมันก็ไปใบ้ภูมิกันแน่แล้วก็ต้องหาทางแก้ในสิ่งที่ง่ายๆคืนหนึ่งศีลจะรักษาสิ่งบริสุทธิ์ทุกข้อเรารักษาไม่ได้แล้วว่าข้อใดที่รักษาได้พรทรงให้มั่นคง ใจการในสั่งพระพุทธเจ้ายึดใจไปอารมณ์นี่เป็นสําคัญมากอย่าทิ้งพระพุทธเจ้านึกถึงพระพเจ้าทุกวันทุกคืนก็ตื่นขึ้นเช้านึกถึงท่านสักห้านาทีสิบนาทีก็พอให้แน่นอนเวลาจะหลับนึกถึงพระพเจ้าสักสีนาทีห้านาทีก็พอเอาให้แน่นอนเป็นประจเพราะว่าคนใดอยู่บ้านชอบบูชาพระบูชาพระนี่มีความสําคัญมาก วชาภาเนี่เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วย็นการเข้าถึงไปสนาคมคอที่พึ่งสามด้าการของพรเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีตัวอย่างหลายคนที่ตายไปแล้วเมื่อต้องการอยากจะทราบว่าเวลานี้เขาไปไหนก็เชิญเข้ามาเมื่อเชิญเข้ามาแล้วถามว่าคุณไปอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่สวรรค์เชนนั้นช่นนี้พอถามว่าเวลาจะตายแต่ ก่จะตายทำอะไรว่าจะไปสวรรค์ได้ส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบบูชาพระถึงเวลาบูชาพระบ้างบางคนชอบตลกพระตลุกพระคื อ, อรัตนาบารมีพระเอาพระที่คอเนี่ยพอตื่นเช้าเอามือสองมือก็กระกันเช้าให้ข้างนแลตั้งใจว่านโมทัสสะแปลว่าโตเสร็จหลังจากนั้นแล้วถึงบรารมีพระพุทธเจ้าก็าาทำพระอริยสงฆ์ไปที่พึ่งทําอย่างนี้ทุกวันตายแล้วไปสวรรค์ เมื่อไม่นานมานี้ไม่เกินยี่สิบวันมานี้ก็มีคนคนหนึ่งไปหาที่วัดไปถามว่าคุณพ่อตายแล้วไปอยู่ที่ไหนบ้านทีอ่อาตมาก็ไม่ไบอกท่านพวนั้นเพระว่าเกิดขินบอกก็ขี้เกียจแต่ก็อยากจะรู้ในเมื่อเขาบอกชื่ออล้วนึกถึงนึกถึงใจก็มายืนข้างหน้าถามว่าเวลานี้คุณไปอยู่ที่ไหนเขาตอบว่าเวลานี้ผมอยู่ชัยงหยามาครับ ถ้าว่าจูชันากมาปกติคุณทำอะไรจูชันอยากมาได้เพราะปกติผมทาสมาธิก็ถามว่าสมาธิคุณทําปด้านไหนเวลาตอนเช้ากับตอนค่ําครับตอนเช้าผมตื่นนอนขึ้นมาก็ผมห้อยสรอยมีพระอยู่ที่สร้อยหยิบพระมาบนมือแล้ตนาบารามีพระขขคือเคยเรียกว่าปุกพระแล้วนําบารามีพระก็ได้ ตอนค่าก็เกลียดอันตรายก็ทาแบบนั้นเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าประทามพระสงฆ์ทั้งสองเวลาทั้งตอนเช้าและตอนค่ำที่ก็ไปสมาธิไอสมาธิทไมจะเป็นต้องนั่งสัตมัตสสมาธิเฉยๆจะทำแบบไหนก็ได้นั่งแบบไหนก็ได้ถือที่ใบของเราถ้าจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าทีถือว่าเป็นวิปัสนาสติจิตนึกถึงว่าทำวิปัสสนาสตินึกถึงจิตนึกถึงระสงฆ์ก็สังขารสติ แม่เขาไมอยู่แช่นยามาได้แต่เขารูกชายถามว่าเวลานี้พ่อพี่อยู่ที่ไหนแล้วบอกว่าถ้าคุณอยากรู้ไปฝึกกรรมฐานก็แล้วกันจะให้บอกคุณนก็ไม่บอกไม่เคยประโยชน์ถ้าการบอกคุณคุณก็ไม่หายสงสัยคุณก็ถามด้วยไปแล้วก็เป็นหนึ่งมีเหตุสำหรัคุณถ้าคุณอยากจะรู้คงไปฝึกกรรมฐานกับเขาในโบสถ์ในวิหารไม่เกินสามวันคุณก็พบกับพ่อคุณได้ ทันในที่สุดท่านผู้นั้นก็ตัดสินใจวันลงขึ้นไปฝึกกรรมฐานเพียงแค่วันแรกก็สามารถไปคุยกับพ่อได้ถ้าทําอย่างนี้บรรดาท่านพระบระกูัตว์ึงเมื่าเราจะมีบาปอยู่ถ้าเราทําทุกวันจิตไปผููุ้ศลทุกวันเวลาก่อนจะตายจิตจะเข้าบาปจะเข้าสิงใจไม่ได้มันจะมีแต่บุญถ้ามีบุญ อ, อน่ อ, อนๆอย่างนี้แล้วเกิดบนสวรรค์ได้คนที่เกิดบนสวรรค์ถึงมีบุญอย่างอ่อน ท่า น, นี้ถ้าเราทําอย่างนั้นยราต้องมีจิตแั่งคงเมื่อถึงเวลาต้องทําถึงเวลาต้องทํำถ้าไม่ทํำมีความอำคาญไม่สบายใจเวลาทําก็จิตหยุดจากนิวรณ์จริงๆให้คาว่านิวรณ์ก็หมายความว่าสิ่งที่อกิเลสอยากที่ทำบรรญายถอยหลังมีกาวบรรยันทะความพอใจในโลกสวยเสียงข้าวเป็นหอมรสตรอยสมบัติระหว่างเพศ ความไม่พอใจความม่วงความงุง่งแย่งเกินไปความสงสัยเฉพาะเวลาที่อรรถตาพระไม่มีในใจในใจิตของเราเราืงห้ายอย่างจิตจับอยู่ที่ภาพของพระถ้าจิตจับอยู่ที่ำรำภาวนาอย่างนี้ถือวาจิตว่างจากนิพพาน่เป็นชานเ <c oughs> มื่อจิตสงชานอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาทั้งสองสามนาทีก็าตามก็ถือว่าใช้ได้ เมื่อเวลาจะตายจริงๆนี่วนจะไม่โกรธใจภาพปิจปรากฏเมืองหน้าก็มีเทวดามีพรหมมีนางฟ้ามีพระเป็นต้นปิจรากรในเมืองหน้าเวลานั้นทุกเวทนาจะไม่มีในเราจิตเราจะพอใจในเทวดานางฟ้าและพรหมและพระในเมื่อเวลาตายลงไปก็ไปเป็นพรหมเทวจิตเป็นฌานที่สูงขึ้นมาหน่อยนะอันนี้เขาว่าในเวลาก่อนที่เราจะภาวนา เมื่อก่อนจะรัตนาพระก่อจะบูชาพระถ้าจิตคิดว่าการเกิดมันเป็นทุกขอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกการเกิ ด, ปกดเป็นเทวดาหรือขุมมปนนางฟ้าก็ดีมีความสุขเพื่อมบุญวาสนาบารมีก็ต้องมีความทุกข์ใหม่แล้วไม่ต้องการมันอีกเราต้องการมรรคผลอย่างเดียวตั้งใจตรงอย่างนี้เฉพาะมรรคผล หลังจากนั้นก็บูชาพระแลรัตนาพระแล้วาวนาพุทธโธก็ใช้ได้อย่างนี้ถ้าคาว่าท่านจะตายเมื่อไรเวลานั้นจิตจะตัดจกกิกิเลสกิเลสทั้งหมดยังไม่เข้ามาสิงใจเพราะว่าการป่วยของท่านมันมีแต่ทุกขเวทนาไปที่นอนเสียที่นี่ปวดที่นั่นมันหาความสุขไม่ได้เวลานั้นความต้องการในร่างกายของเราไม่มี หนึ่งกิเลสสีประการหนึ่งความรักในระหว่างเพศไม่มีในเวลาป่วยหนักความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติไม่มีในเวลาป่วยหนักความโ ก, กรธคิดจะฆ่าใครไม่มีในเวลาป่วยหนักความหลงในร่างกายไม่มีในเวลาป่วยหนักว่าชื่อว่ากิเลสทั้งสีประการไม่สามารถจะส่มใจเราได้ถ้าจิตใจเรามีความใจพอใจในวัตถิพัณฑ์อยู่ถ้ไมั่นคงในก็ติสนาคม เวลาดันอารมณ์ก็จะตัดตจากกิเลสจิตก็ว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตไม่มีความพอดอใจในร่างกายเราก็เป็นปรอาหารหันต์เมื่อเป็นอาหารหันต์ก็นิพพานทันทีเนี่ยยากไหมเขาแก่ okay. ไม่ยากนะการจริงการไ ป, ป็นอาหารหันต์นี่เป็นตึกันไม่ยากแต่ว่าที่เว่าะว่าเราอยากเพราะเราไม่อยากเป็นอย่างฉันเป็นต้นใช่ไหม ฉันเป็นพระกังหันหมุนไปมันมาเรนี่หมดไม่ไหวแล้ว ก, ก็ไม่ขึนแล้วาการเป็นพระรหันเราต้องดูที่พระเจ้าทรงสอนสอนอะไรไว้บ้างอย่มหาเทวสารนั้น ส, สูตรทั้งสีบ่บับแล้วก็ทุกข้อที่องค์จ้พระเจ้าทรงสอนตอนท้ายเป็าานพิภสนาญาณตอนต้นเป็นสมถะภาวนาทุกข้อเหมือนกันหมดให้ดูตอนท้ายตอนท้ายที่อ้องทายว่าท่านทางไหน จงอย่าสนใจกายภายในหรือร่างกายของเราเองถ้าจงอย่าสนใจกายภายนอกหรืร่างกายคนอื่นและจ่ายสนใจทุกๆอย่างในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอย่าสนใจนี่เป็น อ, อารมณ์อันหันกระดองความว่ากายเป็นอันตัดที่ร่างกายตัวเดียวตัดร่างกายใส่ตัดร่างกายเราไม่ใช่ร่างกายคนอื่น